วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธ คือมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากนั้นก็นำเอาคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับขั้นต่อไปทนาสถานที่แห่งนี้ในเบื้องต้น สานาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมแสดงคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากนั้นอีก30นาทีก็จะเป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมคือเป็นช่วงของการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ ว่าความสุขทั้งปวงน่าเกิดอุเบกขาเกิดพลังที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้สำหรับธรรมที่จะเอามาสแสดงในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรม ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งทั้งหมดและกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้กันมาเกิดสูงบ้างเกิดต่ำบ้างเกิดรวยบ้างเกิดจนบ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างเกิดฉลาดบ้างเกิดโง่บ้าง เกิดเก่งบ้างไม่เก่งบ้างความแตกต่างของทุกๆคนที่มาเกิดในโลกนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากกรรมคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจในอดีตชาติยังทำให้ผู้ที่มาเกิดมาเกิดไม่เหมือนกันดังคำสอนที่ทรงตัดไว้ว่า พวกเรามีกรรมเป็นของของตนจะทําทกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นต่อไป mm hmm. การมาเกิดนี้ก็เป็นผลของการกระทําของเราในอดีตชาติแล้วพอเรามาเกิดแล้วเราก็มาทํากรรมกันต่อแล้วกรรมที่เราทํา ในพมนีิชาตินี้ก็จะส่งผลให้เราไปเกิดต่อไปอีกก็จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยุติเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน อที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัณหาความอยากของเราความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลท่าความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยเป็นต้นนะครความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ทุกข์ยากลําบาก ความอย่างเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ผลักดันให้เรามาทําบาปทําบุญกันแล้วเมื่อมีการทําบาปทําบุญนะก็มีการก่อกรรมขึ้นมาสร้างกรรมขึ้นมาเมื่อมีการขอสร้างกรรมก็มีวิบากกรรมตามมานะถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เราก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุ ของการมาเวียนว่ายตายเกิดของการมาก่อกรรมก่อเวรของการมาสร้างบุญสร้างบาป ก, กันด้วยการไปยุติความอยากที่มีในใจของเราทั้งสามประการนี้คือการมาตัณหาความอยากเสพกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราสามารถกำจัด ตัญหาทั้งสามนี้ได้ให้หมดสิ้นไปจากใจการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะสิ้นสุดลงพบนี้ชาตินี้ก็จะเป็นพบสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่พวกเรามีโอกาสที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำภพนี้ชาตินี้ให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะ การที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เองได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วก็ตามแต่พระองค์ได้ทรงสร้างตัวแทนไว้สำหรับเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนให้พวกเราได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดกันได้ ตัวแทนที่หนึ่งก็คือก็ทาคำสั่งคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้ตลอดระยะเวลา45สิบห้าปีด้วยกันสมัยที่พ ร, ะ, พระองค์ตัดสรุและประกาศพระธรรมคำสอนพระองค์จะมีการแสดงทำสั่งสอนสัตว์โลกทุกระดับอยู่ทุกวันเป็นพุทธกิจมีอยู่สข้อเกี่ยวกับการสั่งสอน แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็เกี่ยวกับการบินทบาติ mm. พุทธกิจห้า mm. คือกิจประจำวันของพระพุทธเจ้า mm. ตอนเช้าก็เสด็จออกบินธบาต mm. โปรดสัตว์ mm. เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลและเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยชอบของนักบวช mm. คือการบินทบาตโปรดสัตว์ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย mm. ผู้รับก็คือ พระภิกษุก็ได้รับอาหารไปเลี้ยงดูร่างกายผู้ให้ก็ได้สร้างบุญสร้างกุสมที่เป็นเหตุปัจจัยที่นสนับสนุนให้การตัดภพตัดชาติเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว น, นี่คือกิจข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าเคยบิณฑบาตโปรดรักพอตอนบ่ายกิจข้อที่สองก็คือการแสดงธรรมให้กับ ศรัทธาญาตอยู่คารวาดผู้คลองเรือน<ม>พอยามข้าก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณีสา ม, มนเณรสามเณรเรนนี่เป็นกิจข้อที่สามกิจข้อที่สี่นยามดึกก็ทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลาย<ม><ม>แล้วข้อที่ห้านยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตจ<ม>ะทรงเร็งญาณดูว่า จะไปโปรดแสดงทำให้กับใครในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคคล น, นั้นซึ่งอาจจะพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่อาจจะมีเหตุที่จะต้องทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาอัานใกล้ก็จะทรงไปโปรดบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษไปในแต่ละวันนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกคือวันนาสารา บ, บูชาที่ได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีทำให้มีพระพระพระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาตามลำดับและธรรมต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในแต่ละวันในแต่ละครั้งก็จะมีภิกษุทั้งหลาย เอามาจดมาจำกันมาท่องมาสวดกันที่เราเรียกว่าสวดมนต์นี่ก็สวดพระธรรมคำสอนเป็นการอนุรักษ์รักษาคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในแต่ละครั้งไม่ให้สูญหายไปและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธภินิพานจากโลกนี้ไป มีพระอราหันห้าร้อยรูปก็มารวมมารวมกันเพื่อมาสังคายนามาทบทวนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่มากมายที่ได้ส่งแสดงไว้ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันมาทบทวนมามาตรวจรตรจสอบความความจริงความความตรงกับความจริงที่ได้ส่งแสดงไว้อย่างไรหรือไม่เพราะผู้ที่จะรู้ธรรม ที่พะเจ้าได้ส่งแสดงได้อย่างถูกต้องแม่นยนํานี้ต้องเป็นพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นดังนั้นการสังขยานาการการชำะระด้วยการตรวจสอบคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งแรกนี้จึงมีแต่พระอาหารหันตสาวกห้าร้อยลูกมารวมกัน ถ, ถึงแม้จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นอื่นก็ยังไม่มีความรู้ที่ครบสมบูรณ์ เท่ากับผ้าอรันตสาวกผ้าอรันตสาวกเท่านั้นที่จะสามารถที่จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าการจดจํามานี้ตรงกับหลักธรรมความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อมีห้าร้อยรูปมายืนยันมามารับรองก็ต้องถือว่าคําสั่งคําสอนที่ได้ได้สังขารนามาครั้งแรกนี้เป็นคําสั่งคําสอนที่ถูกต้อง อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เสมอว่าสว่าขาโตภักวตาธรรมโมธรรมที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบนี้แล้วนี่คือธรรมที่ได้มีการสืบทอดมาเป็นยุคเป็นยุคเป็นสมัยมีการรับรองโดยพระอนันตสาวกมาเป็นยุคเป็นสมัยไม่มีพระอนันตสาวกรูปใดมาประกาศว่าธรรมของพระเจ้านี้ไม่ได้เป็นสว่าขาโตภักวตาธรรมโอแต่อย่างได มาจนถึงยุคปัจจุบันก็ไม่มีพระอาจารย์ตสาว ร, รูปใดที่จะมาออกมาว่าพระทำคำสอนที่ได้มีการสืบทอดมาได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้ไม่ถูกต้องตรงไหนอย่างไรนี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราสามารถผูกศรัท ธ, ธาความเชื่อไว้ได้อย่างเต็มที่ถ้าจะเชื่อใครให้เชื่อพระพุทธเจ้า โดยผ่านเชื่อความเชื่อในพระไตรปิฎกพระธรรมคำสั่งส อ, สอนของพระพุทธเจ้าที่ไี่มีจดบันทึกและเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นเป็นเป็นแหล่งของการศึกษาข้อมูลที่จะทำให้เรารู้จักวิธีการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือคำสั่งคำสอนแล้วตัวแทนอีก อ, กองคหนึ่งก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆก็มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นว่าพระธรรมคําำคำสอนที่ได้ส่งสแสดงไว้ที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้อง เป็นสวาขาโตพระกัตาธรรมโอก็เป็นแหล่งที่ผู้ที่สนใจที่อยากจะศึกษาที่อยากจะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสามารถยึดเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้ชาวพุทธเราเลยถือพระไตสรสลาณะนี้เป็นที่พึ่งพระพุทธรัตนะพระธรมรมลัตนะและพระสังฆรัตนะพระรัตตนะไตร เป็นอัญญมณีอันล้ำค่าเพราะว่าเป็นแหล่งของความรู้ที่จะทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่มีคุณค่ามูลค่ามากกว่าอัญญมณีที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด mm. เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทําให้ผู้ครอบครองสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มีแต่ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจากพร ะ, ะรัตนตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะทําให้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถเข้าถึงภาพอ ร, รมณ์สุขของพระนิพพานได้ก็อยู่ที่การได้มีพระรัตนตายนี้เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองดังนั้นการที่เรา ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคกันมหาศาลของพวกเราที่นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่านานๆที่พระพุทธศาสนาจะมาปรากฏในโลกนี้และตั้งอยู่ได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้อยู่ไปตลอดเช่นพระศาสนาของเหล่านี้พระเจ้าก็ได้ทรงทำนายไว้ว่า จะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากห้าพันปีไปแล้วคำสั่งคาสอนก็จะเป็นคำสอนที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้คือศึกษาหรืออ่านก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีผู้ที่จะมาคอยสั่งสอนมาคอยขยายความให้<ม>ก็จะหมดสิ้นไปภายในห้าพันปีด้วยกันแล้วกว่าจะมีพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกับคำว่ากับนี่ก็เป็นเวลาที่นานนับไม่ได้ด้วยตัวเลขไม่รู้กี่ล้านคูณด้วยกี่ล้านเท่าด้วยกันปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งและการมาเกิดของมนุษย์ก็เป็นของยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเราจะต้องไปใช้บุญใช้บาปที่เราทาไว้ก่อน ถบุญก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอาอยู่เป็นพันปีหมื่นปีก็ได้แล้วถ้าบาปก็ไปเกิดในอบายไปเกิดในอบายไปเป็นดวงวิญญาณเป็นเปรตบ้างเป็นอาศุลกายบ้างไปตกนรกบ้างหรือมาเกิดมาเป็นเดชะฉานก็ไม่รู้จะเกิดมาเป็นเดชะฉานกี่กี่พันรอบด้วยกันกว่าจะได้หมดเวรหมดกรรม กว่าที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งท่านถึงบอกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นของยากของยากสี่ประการคือหนึ่งการได้การเกิดของพระพุทธศาสนาคือการตัดสรตวของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นของยากสองการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากสามการดำรงชีพของของมนุษย์ก็เป็นของยากคนเราไม่ได้ หมายความว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่กันไปครบอายุไข80、แปดสิบก้าสิปีเสมอไปมีคนบางคนและมีไม่ใช่น้อยที่เกิดมาวันเดียวตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีมีความตายทุกอายุขของของตนพะมีเวรมีกรรมมีบุญมีบาปสร้างมาไม่เท่ากันมีเหตุมีปัจจัยที่มาสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ สั้นหรื อ, อย่างนี้มีไม่เท่ากันดังนั้นการที่มีมีชีวิตยอยู่ได้จนครบอายุขายนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของยากอีกอย่างหนึ่งและประการสุดท้ายของยากที่หายากก็คือการมีเวลามาศึกษากับปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของยากเพราะชีวิตของคนส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วก็จะไปวุ่นวายหมดเวลาไปกับการเลี้ยงชีพของตน หาหาเลี้ยงชีพในเบื้องต้นหาอาหารหาปัจจัยสี่หาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาคอยเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลังจากนั้นเราก็ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หาเงินหาทองหาลาบหายศหาเงินหาทองเพื่อจะได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพื่อจะได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปเสพ ร, รูปเสียงกีดรถพดภพชนิดต่างๆแล้วก็หาหายศหาตำแหน่งต่างๆบางทีก็หารลังวีรหังวันคนที่เป็นพวกนักแสดงเป็นพวกนักกีฬาเป็นพวกที่ต้องการให้มีการยกย่องสรรเสริญ ก, ก็ต้องไปเสียเวลากับการฝึกซ้อม การกระทําของตนเพื่อให้ได้รับรางวัลเกษยษยษยียรติยศต่างๆแล้วก็หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีเงินมีทองก็ต้องหาเวลาต้องเสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกคือโลกกระทำทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผู้รัทธา จึงทำให้แทบจะไม่มีเวลามาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเลยญาติโยมลองทบทวนดูว่าวันๆหนึ่งนี้ญาติโยมมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมได้มากน้อยเพียงไรคงจะไม่ได้เท่ากับพวกที่เป็นนักบวชพวกที่เป็นนักบวชที่มาบวชนี่เขาเห็นคุณค่าของเวลาของชีวิตและเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะได้ตักตวประโยชน์ ให้ทันเวลาก่อนที่จะสิ้นชีวิตบทชีวิตเนี่ยก็ต้องสละเพศของขารวาดผู้คองเรือนไปเพราะถ้าเป็นาราวาดผู้คองเรือนเวลาที่จะเอามาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมนี้มันแทบจะไม่มีเลยมีอย่างมากก็แค่วันหยุดแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาเป็นผู้ที่ฝ่ายทรรมจริงๆ พอเวลาพอเวลามีวันหยุดก็จะได้เข้าวัดเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติทำอย่างเต็มรูปแบบอย่างน้อยอาทิตย์ละวันสองวันก็ทําได้เพียงเท่านั้นแต่ทําทมากไปกว่า น, นี้ก็ทําไม่ได้แต่ทําทเป็นเหมือนกับพวกนักบวชทั้งหลายย่อมเป็นไปได้ยากกว่าการบรรลุธรรมจึงส่วนใหญ่จึงมกักบรรลุธรรมกับผู้ที่เป็นนักบวชพระที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลา ย, ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะเป็นพระที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีพระที่ปฏิบัติชอบมุ่งต่อมรรคผลนิพพานเป็นผลเพียงอย่างเดียวไม่ได้มุ่งไปทางเรื่องของลาภส ก, การะเรื่องของโลกธรรมทั้งสี่เลยแม้แต่นิดเดียวเนีอยอครฉะนั้นการที่มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัตินี้จึงเป็นของยาก ถ้าใครก็ตามสามารถมีสิ่งที่หายากได้ทั้งสี่ประการนี้โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนโอกาสที่จะทําให้พบนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะมีตัวอย่างของผู้ที่ได้กระทํามาแล้วผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีชีวิตดำรงชีพยอยู่ไปอย่างยาวนานมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติตลอดเวลาอันนี้ก็ปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมามีครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักในยุคสมัยปัจจุบันนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นพระอาจารย์มั่นลงม า, ท, าท่านเหล่านี้ละท่านเป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาและใช้ เอาโชคละวาสนาของท่านนี่มาทําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้มาพบกับพระพุทธศาสนาท่านมีอายุที่ยืนยาวยาวนานแล้วก็ท่านก็มีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะท่านสละชีวิตของผู้คลองเรือนสละความสุขของครารวะผู้คลองเรือน สละความสุขของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกิ่นรถโพิตภัณเพื่อมาบำเพ็ญเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อมาบรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับท่านก็สามารถทำกันได้ภายในกรอบเวลาที่ผู้เจ้าได้ทรงทำนายไว้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้ามีองค์ประกอบมีเหตุมีปัจจัยที่ครบทั้งสี่ประการ คือการเกิดเป็นมนุษย์การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนก็ดีพบกับพระอริยรสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นผู้สอนเป็นที่บอกเป็นผู้บอกทางก็จะสามารถศึกษาและปฏิบัติและบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้ มีพระพุทธเจ้ากับพระหลานตสาวกเท่า น, นั้นที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เพราะว่าท่านไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกฎแห่งกรรมก็ยังมีผลต่อร่างกายของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีวิบากกรรมพระหลานตสาวกก็มีวิบากกรรมที่ยังต้องชดใช้อยู่้าตาใดยังมีร่างกายนี้อยู่ ร่างกายก็จะเป็นผู้รับวิบากกรรมแต่ใจที่เคยรับวิบากกรรมด้วยนั้นก็ดูดพ้นจากวิบากกรรมเพราะใจจะไม่ทุกข์กับวิบากกรรมอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรจะตายจะแกะจะตายแบบไหนอย่างไรจะอยู่แบบทุกข์ยากลําบากอย่างไรใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนทุกข์อยู่ที่เพียงแต่ร่างกายแต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปกฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องไปมีอำนาจกับจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันตสาวกได้อีกต่อไปนั้นเป้าหมายของพวกเราชาวพุทธจึงอยู่ที่การไม่กลับมาเกิดนี่เองถ้าเราอยากจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่อยากจะต้องมารับวิบากกรรมต่างๆอย่างที่เรากาลังรับกันอยู่ในขณะนี้ อันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปหนีวิธีที่จะสู้กับวิบากกรรมก็สู้ด้วยด้วยธรรมะสู้ด้วยใจที่สงบสู้ด้วยใจที่นิ่งสู้ด้วยใจที่มีสติมีปัญญาเท่านั้นที่เราจะทำให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคของวิบากต่างๆที่มากระทบกับร่างกายและจิตใจของพวกเราได้ และการที่จะมีสติมีปัญญาเราก็ต้องมีการพัฒนาสติและปัญญามีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่สงสอนไว้เป็นสามขั้นด้วยกันในการที่จะทำให้เราได้พ้นจากวิบากกรรมต่างๆข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงเพื่อเราจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่สร้างบาปใหม่เพื่อจะได้ปิดประตูบายถ้าเราไม่ทาบาป ถ้าเรายังยังไม่หลุดพ้นเวลาตายไปเราจะไม่ไปเกิดในอบายถ้าเราทําเราไม่ทําบาปแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าขั้นที่เราอยู่คือขั้นของมนุษย์ก็เราก็ต้องทําบุญทําบุญเพื่อให้มีบุญไว้มากกว่าบาปด้วยเพราะถ้าไม่ทําบาปก็จริงอยู่ถ้าโดบางครั้งพังเผยไปทําบาปเข้าบาปก็ยังสามารถที่จะดึงไปอบายได้แต่ถ้า ทำข้อที่สองก็คือให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆไว้มีเวลามีโอกาสทาบุญไปเรื่อยๆบุญนี้จะมาปกป้ององค์วิบากกรรมที่จะเกิดจากการทำบาปได้ถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาปเวลาตายไปใจเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. เราก็จะไปสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์เลย mm hmm. แล้วถ้าเราทา ทำบุญได้แล้วเราก็มาทําข้อที่สามก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มาชำระเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิดมาสร้างบุญสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมกันคือตัณหาทั้งสมการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาด้วยการบําเพ็ญ จ, จิตตภาวนาสมถะภาวน า, มม า, า, วนาและวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นก็ส ม, มถะภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบ ให้มีพลังไว้ไปเจริญปัญญาวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เห็นว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดเหตุที่พาให้เรามาทำบุญทำบาปเหตุที่พาเรามาเวรไหว้ตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็คือตัณหาทั้งสามนี้พอมีตัณหาทั้งสามนี้ปรากฏเราก็ใช้ปัญญาระงับมันได้ทันทีด้วยการสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเวรไหว้ตายเกิดถ้าไม่อยากจะมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ก็ต้องตัดความอยากต่างๆเหล่ า, านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจจะตัดได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของใจคือสมาธิว่ามีวิบะมีอุเบกขามากน้อยเพียงไรถ้ามีอุเบกขามากพอปัญญาชี้ว่าเหตุที่พาให้เกิดมาพ า, พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พามาให้รับผลกรรมต่างๆก็คือตัณหาความอยากก็ตัดก็หยุดมันได้อย่างทันทีพอหยุดตัณหาต่างๆที่มีในใจหมดสิ้นไปแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็อยู่ที่พระนิพพานนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริบสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้กับใจนี้นั่นเองนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าตามใดเรายังมาเกิดกันอยู่ตามนั้นเรายังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังต้องเว้นยัยงต้องรับวิบากกรรมต่างๆ อยู่กันถ้าเราไม่อยากที่จะรับวิบากกรรมต่างๆเราก็ต้องยุติการมาเกิดเราก็ต้องไปปฏิบัติตามคำสอนสข้อนี้คือละการกระทาบาปสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ชาระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าทำได้ทั้งสามข้อครบบริบูรณ์ มรผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ปรากฏตามมาต่อไปอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาแสดงให้ท่านได้ฟังกันในวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาที่ได้กําหนดไว้คือสามสิบนาทีพอดีต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญธรรมที่สําคัญก็คือสมาธิสมสมัฏภาวนาหรือการเจริญสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบทําใจให้เกิดความสุขขึ้นมา ทำใจให้มีพลังอุเบกขาที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีสมาธิถึงแม้มีปัญญาปัญญาบอกว่าความอยากเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถหยุดความอยากเหล่า น, นั้นได้แต่ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขามีความสุขจากสมาธิแล้วความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถมาหลอกล่อให้ไปหาความสุข จากสิ่งต่ตางๆได้ความมีความสุขที่เลือดที่วิเศษอยู่ในตัวของสมาธินี้เองที่จะทําให้ใจมีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิกันบ่อยๆให้ทํนกันให้มากๆยิ่งมีสติยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่สมาธินี้ก็จะไปสนับสนุนปัญญาให้ตัด กิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจการนั่งสมาธิเป้าหมายก็คือต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบซึ่งต่างจากการนั่งวิปัสสนาวิปัสสนานี้นั่งเพื่อเห็นให้เกิดปัญญาให้ต้องพิจารณาใจรักพิจารณาอริยสัจสี่ที่กาลังปรากฏขึ้นอยู่ในใจถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ตอนที่นั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการพิจารณาเราไม่ต้องการให้จิตทางาน เราต้องการให้จิตให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาให้มีอุเบกขาดังนั้นเวลานั่งสมาธิจึงตั้งพยายามควบคุมความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบและการที่จะทําให้หยุดความคิดได้ก็ต้องมีอะไรผูกใจเอาไว้สิ่งที่ผูกใจแล้วก็เรียกว่าสติแล้วสิ่งที่ผูกใจไว้ที่สติผูกใจไว้ด้วยก็คือกรรมฐาน ต้องมีสติมีกรรมฐานคือกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราสามารถยึดใช้ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดได้เช่นพุทธานุสติการละเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติมีสติอยู่กับกรรมฐานคือพุทธโธพุทธโธสติก็คือการละเลิกรู้ให้รู้อยู่ว่ า, ารเรากําลังอยู่กับกรรมฐานหรือไม่ เรากำลัองอยู่กับความคิดหรือเราอยู่กับกรรมกรรมฐานถ้าเราไม่อยู่กับกรรมฐานไม่อยู่กับพุโทโธเราก็จะไปอยู่กับความคิดถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่รู้จิตมันก็จะลอยไปเราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิมันจเจริญพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆในระหว่างวันทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกาลังนั่งกาลัง น, นอนกำลังรับประทานอาหารกาลังทาอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิด เราสามารถใช้พุโทโธคอยสกัดกั้นความคิดได้ถ้าเราฝึกสติไว้ก่อนเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ฟุง้งใจก็จะไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆใจก็จะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธได้อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็เข้าสู่ความสงบได้อีกวิธีหนึ่งก็ใช้อานาปนานสติคือ ด, ดูดูลมหายใจเข้าออกอานาปานะภาวะลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกก็พอถ้าหยาบถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับลมปล่อยให้ลมก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่ให้รู้อยู่กับเขาเท่านั้นเองไม่ให้เราลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเราก่อติดอยู่กับลมได้เดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบบางทีก็เข้าแบบเป็นขั้นขั้นบันไดตกลอกหลง ตรงลงสู่ความสงบเป็นขั้นเป็นขั้นไปถ้าการบริกรรมพุโทโธนี้บางครั้งท่านบอกว่าจะลงแบบตกเหวตกจากที่สูงลงมาวุบลงมามันจะเกิดไม่เกิดอย่าไปคาดอย่าไปสนใจให้เรามาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับผลให้เรากําหนดอยู่ที่เหตุเพียงอย่างเดียวให้รู้อยู่กับลมหรือให้รู้อยู่กับพุโทโธบางท่านก็ใช้ทั้งสองอย่างคู่กันก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ถ้ายัางไม่สามารถดูลมหรือพุโทโธได้ ใจคิดมากฟุ้งมากก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดบทอ e ิติปิโสก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดบทไหนที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านได้เบาลงสามารถมาดูลมหรือสามารถมาบริกรรมพุโทโธได้แล้วค่อยเปลี่ย น, นนี่คือวิธีการของการนั่งสมาธิโดยสังเกตจะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะสองอย่างที่เอามาฝากท่านนี้เท่านั้น บางท่านอาจจะใช้ภาาใช้นิมิตใช้โครงกระดูกหรือใช้คาบริกรรมอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่แบบไหนที่ทําให้ใจสงบให้นิ่งให้เข้าสมาธิได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันวิธีทำสมาธิจึงเป็นมีหลากหลายวิธีด้วยกันไม่มีวิธีตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละคนนี้อาจจะมีวิธีของการเข้าสมาธิไม่เหมือนกันข้อสําคัญก็คือมีสติให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับอารมณ์ เราไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถ้าหยุดความคิดปรุงแต่งได้จิตก็จะเข้าสมาธิได้เราไปนั่งสมาธิเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าตามรู้อย่าไปสนใจก็ดตินอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวถ้าไปทิ้งกรรมฐานไปเมื่อไหร่แล้วใจก็จะฟุ้งขึ้นมาใจก็จะไม่สงบต้องอยู่กับกรรมฐานท่านต้องการให้ใจนิ่งมีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีความรู้สึกอะไรเข้ามาให้สัมผัสรับรูบก้ก็อย่าไปตามรู้ เดินใจกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆเพราะมีถ้าไม่ปลูกไว้กับกรรมฐานใจก็จะไม่มีวันนิ่งไม่มีวันสงบจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้และตามดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่า วันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งครั้งต่อไปก็ใช้วิธี้ใช้วิธีนี้ได้ต่อไปเลยแต่อย่าไปอยากอย่าไปนั่งแล้อยากให้มันสงบเพราะความอยากมันไม่ทําให้สงบวิธีนั่งที่ถูกต้องจะทําให้ใจสงบได้ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็สแสดงว่าสติยังมีไม่มากพอก็ควรเจริญสติระหว่างวันไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธไปคอยดึงใจไว้อย่าให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาปุราบรกปุรินติสาคหลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพเปเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุ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 วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b o o สอง5้อยแปดสิบห้าท่าน Youtube พระสชาติไลฟ์สองร้อยเก้าสิบเก้าท่าน y o u t u ด e ดกตรวีสี่สิบสามท่านวิทยุออนไลน์แดท่านคลับเาห้าท่านนาคุติร5อยห้าสิบแปดท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดท่านครับอาจารย์มีคำถามไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่าอาจารย์ครับเดี๋ยวเอามาใหม่ไหมไ ไม่ได้ยินชัดชั้นนะเขออาแยกราบเรียนพระอาจารย์นะครับคือตอนที่ผมนั่งเนี่ยเหมือนกับว่าผมรู้สึกปวดแล้วผมก็มีความอยากที่จะจะทําให้มันหมดเวลาแล้วก็ใช้ความอดทนเอาตรงนั้นไม่ทราบว่าผมทําแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ความอดทนแต่ส่วนสําคัญก็คือต้องมีสติให้อยู่กับกรรมฐานคือให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แล้วอยู่กับลมหายใจไปอย่าไปคิดถึงเวลาที่มันจะหมดมันไม่หมดถ้ายิ่งคิดมันก็ยิ่งอยากยิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งต้องอดทนมากขึ้นแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรเราจะนั่งไปได้นานๆนะขอบคุณพระอาจาย์ครับอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งเร<ๆ>าใช้ความอดทนมันจะทนไม่ไหวนะแต่ถ้ามีสติอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนั้นมันจะอยู่ได้นาน อยู่จนกระทั่ทงมันสงบแล้วมันจะไม่อยากออกไม่อยากจะลุกกับเขาระคือประชาชนกลับคำถามจากทางหน้ากุฏินะคะจริงไหมคะการทำบุญทอดกะถินที่มีที่วัดมีพระไม่ครบห้าองค์แต่นำพระวัดอื่นมารับองค์กระถิ่นจะได้บุญน้อยคะ่ะคือการทำบุญเนี่ยมัน มากน้อยไม่ได้อยู่ที่ผู้รับของใช่ไหมอยู่ที่จํานวนที่เราทําไปถ้าเราทำร้อยบาทกับทำห้าร้อยบาทนี่มันต่างกันไหมทำห้าร้อยบาทมันก็ต้องได้บุญมากกว่าทำร้อยบาทไม่ว่าจะมีผ้าห้ารูปมารับหรือพระหนึ่งรูปมารับก็ตามอันนี้ไม่เกี่ยวบุญที่เราทําอยู่ที่การเสียสละของเราเสียสละมากเราก็ได้บุญมากจากคุณบอยค่ะ เขาอากาศนะครับโยมอยู่กับคุณแม่สองคนแต่ว่าคุณพ่อเสียอายุเสียชีวิตไปแล้วตอนอายุ59ตอนนี้โยมอายุ52เมื่อปี67คุณแม่ผ่าตัดสมองภาวะเส้นเลือดได้ดูแลท่านคุณแม่เพิ่งหลับพักสบายตอนอายุ88เมื่อ11มิถุนาหกแที่ผ่านมานะคะโยมมีภาวะกดดันเรื่องงานจำเป็นต้องหาแผนกใหม่อยู่ พอมีก็ปรากฏว่าต้องทำงาน24คูณ7เกิดภาวะกดดนันโยมตั้งใจเพียงทำงานเลี้ยงชีพและมีเวลาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญสตินั่งสมาธิทำงานให้ใกล้55กเกษียณ จ, จกกะเกษียณอายุนะครับในบางครั้งอยู่คนเดียวบาย้านยบมากก็มีความคิดขึ้นว่าคุณแม่ไม่อยู่เราจะอยู่ทำไมซึ่งทำให้โยมต้องรีบลุก จากที่นั่งหยุดความคิดนั้นครับเขออกากราบพระอาจารย์เมตตาโปรดทางในการปฏิบัติในทางโลกในการปฏิบัติหน้าที่การงานกับบุคคลที่ต้องนัดไปทานเลี้ยงพูดถึงบุคคลอื่นซึ่งตั้งใจจะถือศีงไม่ชอบชอบอยู่คนเดียวชอบความสงบค่ะไปบวชเลยถ้าไม่มีภาระาอะไรแล้วก็ไม่บวชไม่มีครั้งจะเป็นยังต้องทางานนะ พอามาบวดก็เป็นการทำงงานอย่างหนึ่งหาเรี่ยงชีพด้วยการบินธบาตแล้วก็อยู่ด้วยการปฏิบัติมีศีลก็จะมีความสุขดีก็อยู่เป็นคาระวาสคุณพันนีค่ะกราบสาธุค่ะป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจายเจ็บปวดมากเวลาไม่เจ็บก็ดูลมก็ดูลมได้แต่เวลาเจ็บปวดไม่มีสติขอ ไม่มีสติดูลมขอคำชี้แนะค่ะก็ใช้พุโทโธใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธรือใช้การสวดมนต์ไปสวดบทสั้นๆก็ได้พุทธังสระนังกชามิธรัมสระนังกะชามิสวดไปหลายๆหลายๆ ล, ล, ล, ลอยแล้วใจจะเบาใจจะเย็นใจจะไม่ทุกข์กับอาการเจ็บปวดของร่างกายจคุณเจบิวค่ะถ้ามีคนเอาแมวมาปล่อยข้างบ้านเราได้ยินเสียงร้องแต่ไม่ได้ไปเอามาเลี้ยง เพราะเลี้ยงไม่ไหวแล้วเพราะคนเอามาปล่อยบ่อยมากเราจะบาปไหมคะและเราควรจะช่วยอย่างไรดีคะคือถ้ายัางช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นกรรมของเขาไปไม่บาปแต่อย่างใดในการที่เราไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เพราะเราไม่สามารถช่วยคนในโลกนี้ได้ทั้งหมดเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้การช่วยนี่เป็นการได้บุญ ไม่ช่วยก็เพียงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่ไม่ไ ม, ไม่ได้ทําบาปไปยังใดจากหอพักแสงเดือนค่ะเรียนสอบทางพระอาจารย์ครับพี่สาวเป็นคนปฏิบัติธรรมแต่มักมีอารมณ์โมโหง่ายกับเรื่องเล็กๆใช้วาจาทําร้ายจิตใจมารดาด้วยวิจีกรรมบางครั้งมารดาต้องเสียน้ําตาพอเราแนะนําว่าการใช้วัจีกรรมกับบุปการีอาจเป็นกรรมเขาก็จะโต้กลับเราว่า เราไม่รู้ทำเหมือนเขาเรื่องแบบนี้เราคงแก้อะไรไม่ได้ควรต้องปล่อยวางใช่ไหมครับแล้วเราควรแนะนำมารดาให้ปล่อยด้วยเช่นกันไหมครับตอนนี้มารดาอายุมากแล้วกําลังฟังทาผ่านออนไลน์ครับเบื้องต้นเราต้องปล่อยก่อนถ้าเรายังปล่อยไม่ได้เราไปบอกให้คนอื่นเขาปล่อยเขาก็จะไม่เชื่อเราเราต้องปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาทำอะไรตามเรื่องของเขาปล่อยให้แม่ทุกไปกับความทุกข์ของแม่ เราปล่อยได้แล้วเราไม่เดือดร้อนแล้วถ้าเรามีโอกาสก็คุยกับแม่ดูให้ถามแม่ปล่อยไหมปล่อยแล้วสบายจากคุณประพันธ์ค่ะอายุห6ิปีแล้วทำงานกึ่งกเกษียณแล้วมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นอยู่ห้องคนเดียวสามารถไปอยู่วัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมได้บ้างปีละ 2-3 ถึงครั้งครั้งละหนอาทิตย์ เพราะยังต้องดูแลคุณแม่คุณพ่อและลูกอยู่จึงขอทราบแนวทางในการปฏิบัติธรรมที่ห้องควรปฏิบัติอย่างไรดีครับก็ที่ไหนก็เหมือนกันเราต้องมีสติตลอดเวลาควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอยเปื่อยนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิถ้านั่งไม่ได้จะฟังเทศฟังธรรมก็ได้อ่านหนังสือธรรมะก็ได้หรือเดินจงกรมก็ได้จากลูกรักยมบาลค่ะ กราบขอสอบถามค่ะดวงจิตที่ฆ่าตัวตายสามารถได้รับอนิสงส์ที่เราทําบุญและอุทิศมอบให้ไหมเจ้าคะช่วงนี้ก็ไปรับวิบาบคงจะ ร, รับบุญไม่ได้เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายก็ต้องไปตกนรกก่อนเป็นกว่าจะออกจากนรกมาแล้วมาเป็นเปรตนี้ก็อาจจะมารอรับส่วนบุญได้ต่อไปคุณรักจังคุณธิดาค่ะกราบขอปัญญาพระอาจารย์เจ้าค่ะ กรรมที่เราทำกรรมที่เราทําสามารถได้รับผลชาติหน้าและในชาตินี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะได้ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าส่วนใหญ่จะได้ที่ทางใจทางร่างกายอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากคือไม่ได้รํารวยขึ้นไม่ได้มีอายุยืนยาวนอนขึ้นอะไรอย่างนี้แต่จิตใจถ้าทําบุญก็จะมีความสุขมากขึ้นทําบาปก็จะมีความทุกข์มากขึ้น ให้มีนะดังนั้นพิบักส่วนใหญ่จะเกิดที่ใจก่อน <Okay. S 1> เวลาทําบุญเราจะมีความรู้สึกสุขใจแต่ทางร่างกายเราก็ร่างกายก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญไม่มีได้รางวัลอะไร <Okay. S 1> ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่อย่างใดอันนั้นเป็นผลผลที่อาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ทางร่างกายแต่ผลทางใจนี้เกิดขึ้นทันที ทำบุญล้มีความสุขใจแล้วความสุขใจนี้จะเป็นเป็นทรัพย์หรือเป็นปัจจัยที่จะพาให้เราไปสวรรค์ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอรออยู่ไม่มีคําถาม งั้นเราต้องมองผลบุญผลบาปแบบไกลๆหน่อยอย่ามองแต่พบนี้ชาตินี้ชาตินี้เรามารับผลบุญผลบาปของชาติก่อนที่เราทำเอาไว้เป็นส่วนใหญ่ส่วนบุญหรือบาปที่เราทําในพบนี้ชาตินี้เราไปรอรับในพบหน้าชาติหน้าต่อไปเหมือนกับปลูกข้าวเราปลูกข้าวปีนี้เราไม่ได้กินข้าวปีนี้เราต้องรอให้มันเก็บเกี่ยวปลายปีปีหน้าเราถึงจะได้กินข้าวที่เราปลูกในปีนี้ ข้าวที่เรากำลังกินอยู่ในปีนี้เป็นข้าวที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วฉันใดผลบุญผลบาปส่วนใหญ่ที่เรากำลังรับกันอยู่นี้ก็จากการกระทําบุญทําบาปในในอดีตชาติมาส่วนผลบุญผลบาปที่เราทําในภพนี้ชาตินี้เป็นการสะสมผลไว้สาหรับชาติหน้าเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่เชิญถามได้ขอขอดใกล้กล กับหลวงพ่อเจ้าขาพูดดังๆหน่อยคุณมพ่อเจ้าค่ะเราจะฝึกสมถะเป็นอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเรามีหลายระดับใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เราอุเบกขาที่จะตัดทุกอย่างเช่นเห็นปุ๊บตัดปั๊บเนี่ยต้องแบบอปปนาเป็นวสีใช่ไหมเจ้าคะใช่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมถะนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะคราวนี้วิปัสสนาเนี่ยเรื่องราวในโลกใบเนี้ยมันมันเยอะมากจน อะไรภาษาเข้ามาปุ๊บเราต้องหาเหตุผลตลอดเวลาเพื่อให้เห็นอริยสัจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเห็นไตรลักษณ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคราวเนี้ยถ้าเราฝึกสมถธเป็นเป็นอั ป, ปนาเป็นวสีแล้วเนี่ยเวลาภาษาเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่ต้องใช้ปัญญาก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าตัดพึ่งออกไปเลยใช่ถ้าจิตเรามีสมาธิเราจะเห็นจิตเวลาถูกกระทบอะไรมันจะมันจะวุ่นขึ้นมามันจะกระเพิ่มขึ้นมาเราก็ใช้ สติหยุดมันได้เลยหรื่นถ้าเรารู้ว่าปัญญาเป็นอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ใช้ปัญญาหยุดมันได้ อ, อ๋อันนี้คือใช้สติเจ้าค่ะแต่หมายความว่าเขาจะตัดขาดไปเลยเจ้าค่ะต้องใช้ปัญญาต้อเห็นสิ่งที่เราอยากไปยุ่งด้วยมันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเขาไปเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าถ้ากําลังเรา อุเบกขาแรงเราก็สามารถที่จะใช้ปัญญาตัดได้เร็วใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วก็จะเฉยๆได้ปล่อยใครก็ดาเราก็ปล่อยเขาดาไปใครก็จะชมเราก็ปล่อยเขาชมไปอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่ายุ่งแล้วเดี๋ยวมีเรื่องในราวขึ้นมาค่ะแต่แสดงว่าเรื่องราวที่เข้ามากระทบเราเป็นล้านๆเรื่องนี่เราก็จะเหนื่อยในการพิจนารณาใช่มันเหมือนกันหมดมันเป็นลนิจังทุกขังอนาตตาทั้งนั้นอ๋อเราจะเห็นไวขึ้นตัดเร็วขึ้นใช่ถ<ช>้าเห็นใจแล้วก็จะตัดได้ดทันที จะไม่เหนื่อยในการไม่เหนื่อยมันจะรู้ทันทีว่าทุกอย่างมันไม่มีสาระมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านไปผ่านไปเราไปยุ่งกับเขาเองค่ะอันนี้คือเรื่องภายนอกค่ะแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องไปดูภายนอกแล้วเจ้าค่ะเราดูตัวเองดีกว่าเจ้าค่ะภายในก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับค่ะพิทนาทางร่างกายก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เราก็คุมบังคับมันไม่ได้ตลอดเวลา อันไหนเราคุมได้ก็คุมไปคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเจ้าค่ะเวลาเรื่องมากระทบเนี่ยเราใช้สติในการพิจารณาเหตุผลให้เป็นไตรลักษณ์เหมือนกับเป็นวิปัสสนิไปก่อนเจ้าค่ะแต่พอพอเรามานั่งสมาธิในแต่ละวันอ่ะเรื่องเราที่ที่เกิดเกิดเรื่องกับเราเนี่ยเราก็วนทั้งทั้งที่เราก็ก็มีสติในการพิจารณาดับไปแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังวนไม่จบวนอยู่นั่นเจ้าค่ะว่าเราทําสมาธิไม่มากพอแล้วเรานะไปข้ามขั้นไปไปทําวิปัสสนาต่อ อันอดีควรจะทําสมาธิกับสติให้ชํานาญก่อนให้แน่ น, น, นก่อนใช้สติหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ปัญญ า, าพอใช้ปัญญาแล้วพอเริ่มคิดแล้วมันจะฟุงะ้งถ้าไม่มีสติที่จะหยุดมันแต่ถ้าเราฝึกสติยังสามารถหยุดความฟุ้งได้หยุด<ๆ>ความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราค่อยไปทางปัญญาจะดีกว่าแต่ว่าเรื่องราวบางทีมันมันเข้ามาขนาดนั้นเนี่ยเจ้าค่ะเราใช้สติ กฎสมาธิกดมันก็มันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเฉพาะกิจก็ใช้ไปใช้ได้ได้ก็ใช้ไปใช้สติได้ก็ใช้สติใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญ า, เ, าเฉพาะกิจแต่ถ้าโดยทั่วไปเราต้องสร้างฐานของปัญญาคือสติสมาธิก่อนอถ้ามีฐานที่มั่นคงเหมือนปลูกบ้านเนี่ย<อ>ถ้าตอกเสาเข็มให้มันมั่นคงมันก็จะไม่ทรุด<อ>แต่ถ้าเสาถ้า เราไม่ตอกเสาเข็มไว้มันไม่มั่นคงเดี๋ยวสร้างอาคารสูงขึ้นไปพอน้ําหนักมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทรุดลงมาได้ เ, ออเหมือนกันถ้าเราเริ่ม น, นั่งสมาธิพอมีความสงบบ้างแล้วเราไปใช้ปัญญาเราเริ่มใช้ความคิดแล้วตอนตน้นอาจจะใช้ความคิดได้ในระดับหนึ่งต่อไปมันคิดมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะหยุดมันไม่ได้เจ้าค่ะอ่งนั้นต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้สามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อน เรื่อเร่อเรื่องที่2นะเจ้าคะหนูยังสงสัยว่าเงินสมมติว่าพ่อแม่เออไม่ใช่พ่อแม่พ่ออสมมติพ่อได้เงินที่ไม่สะอาดเงินจากการแบบโสม ก, กมาเนี่เจ้าคะแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวโดยที่แยกเป็น2ประเด็นคือว่าครอบครัวรับรู้ว่าเงินสกโปกแต่ก็ใช้ใช้ใช้ร่วมกันด้วยความแฮปปี้กับ กรณีที่สองคือครอบครัวไม่รู้เลยว่าเงินนี้เป็นเงินที่ไม่ดีก็ได้ใช้จ่ายร่วมกันอย่างเงี้ยจะมีใช้เงินบาบร่วมกันไม่มีเราอยู่ที่ผู้หามา เ, ออเจ้าค่ะผู้ที่ได้รับประโยชน์นี้ถ้าเขาเอ า, เอามาให้เราโดยที่เราไม่ได้ไปขอเขาหรือขอเขาก็ตามขอเขาขเขาให้เราอย่างงี้เราก็ไม่บาปแต่อย่างใดเพราะเขาเป็นคนหามาเขาเป็นคนเขาส่วนที่เขามาเลี้ยงเรามาให้เรานี้เขาได้บุญ ก็อเาได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญ<ะ>แต่ถ้ า, าหามาโดยสุจริตก็จะได้แต่บุญอย่างเดียวไม่ต้องมไม่ได้บาปด้วยคนรับไม่เกี่ยวคนที่สองคนบุคคลที่สามไม่เกี่ยวไม่ต้องรับลไลกรรม่ารกระทำอย่างคนไปขโมยเงินมาแล้วมาใสาบา <laughs> ่บาเนี่เราจะไปรู้ย <laughs> ังไงถ้าเขาบอกก็กอาจจะปฏิเสธเขาได้บอกว่าไม่ควรทาอย่างนี้นะไม่ควรเอาไปขโมยเงินมาใส่บาสเช่นมีพระวินัยที่ห้ามว่าญาติโยม สมัยก่อนทํากับข้าวเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองพอพระธุดงค์ผ่านมาปรากฏอยู่ใกล้บ้านก็อยากจะทําแกงไก่<อ>ก็เลยฆ่าไก่มาทําแกงไก่<อ>แล้วตอนเช้าก็ไปใส่บาปพระแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยนานมีพระธุดงค์มาสักทีก็อยากจะถวายให้ท่านได้กินแกงไก่ก็เลยฆ่าไก่ที่มีอยู่ในบ้าน<อ>ถ้าบอกงนี้พระไม่รับหรือไม่ควรรับ<อ>เพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้เขาทําบาปเขาจะไม่ได้กําไรได้เท่าเดิม ได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญมันก็เลยอยากทาแบบนี้ถ้าอยากจะได้บุญเ อ, เอาของที่ตายแล้วมาทําดีกว่าจะได้ไม่มีบาปแต่คนรับไม่ไม่เสียหายตรงไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปแต่อย่างใดถึงแม้จะรับก็ไม่บาปแตงแต่ว่าเป็นพระต้องสอนคนไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอสอนเขาแล้วเราไม่ไม่ทําเป็นตัวอย่างมันก็ไม่ดีใช่ไหมเท่านั้นเองเรื่องที่สามสุดท้ายเจ้าค่ะก็คือสมมุติว่าพ่อแม่เราป่วยใส่ท่อเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ แต่ว่าสมองตายแต่หัวใจอวัแกนทุกอย่างยังดีอยู่นี่เราเอาท่อออกไปเลยได้ไม่เฆ่าพราะมได้ไม่ฆ่าว่าไม่ฆ่าอยู่การรักษาท่านเองไม่ได้ไปไม่ได้ไปบีบคอไม่ได้ไปฉีดยาท่านตายเป็นยุติการรักษาพยาบาลปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติไม่บาปเลยงแม้ว่าเป็นคนเอาออกเองก็ตามใช่ก็หลวงปู่ชาท่านก็ท่านก็อยู่แบบที่ ต้องใช้สายยงใหญต่างๆลูกศิษย์ก็ไม่กล้าเอา อ, อกตองมากราบเรียนหลวงตามหาบัวหลวงตาท่านก็เลยบอกสั่งให้คล อ, อกนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่บาปแล้วกรณีที่ว่าเจ็บป่วยมากๆแล้วปวดมากฉีดมอร์ฟีนแต่ว่ามอร์ฟีนมันก็คือดาบสองคมคือว่าฉีดมากก็หยุดหายใจตายแล้วก็ฉีดแค่บรรเทาเจ้าค่ะอยู่เจตนา อ, อยู่เจตนาฉีดเพื่อให้เขาตายแล้วฉีดให้เขาบรรเทาความเจ็บ ห ม, หมอไม่เจตนาหมอหมออาจจะแบบมั น, ม, นมากต้องรู้สิหมอหมอต้องรู้ว่าจะฉีดแบบไหนเพรเป็นหมอจะยังไงล่ะปวดมากแล้วมันโอเวอร์โดสเจ้าค่ะก็อย่าไปโอเวอร์โดส์สิก็ลดมันลงไปสิ <c oughs> เป็นหมอมันต้องรู้สิว่าฉีดแบบไหนจะทําให้คนตายฉีดแบบไห น, บบไหนทําให้คนไม่ตายถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่หมอเลยเจ้าค่ะใช่ไหมอ่าขอบคุพระคุณเจ้าค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าฉีดให้เขาตายตั้งใจให้เขาตายนี่บาปถึงแม้ไม่ตายก็บาป ฉี่แล้วเขายังไม่ตายอา่เาเอาอกเข <laughs> ็มนมกาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาทางนี้หลวงกาหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็พูดตงนางหน่อยพูดใกล้ปากเลยอ่โยมฟังอธรรมะหลวงพ่อแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันถูกมันรู้สึกเข้าใจดีเจา้าค่ะแล้วก็ฟังมาตั้งแต่ปีสองสี่แล้วก็ ตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมเต็มตัวจ้ะค่ะไม่ทราบว่าโยมตัดสินใจถูกหรือเปล่าถูกแล้วะมาบวชนีะเป็นท่านตัดสินใจที่เลือกที่สุดโยมตัดสินใจพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าก็ลาจะสมบัติไปบวชเนี่ยถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ได้บวชตอนนี้พวกเราก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่จ้ะค่ ะ, ะการบวชนี่เป็นการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐที่เลือกที่สุดถ้าเราทําได้ ยมก็จะไปตามทำตามที่หลวงบ่อสอนจ้ะอ่าดีมารู้สึกว่ามันเป็นทางที่ที่เห็นชัดใช่ก็เลยตัดสินใจลางานลาสามีแล้วก็ลาครอบครัวก็ดีถ้าทำได้ก็ดีจ้ค่ะแล้วยมจะมาถวายแบบเป็นศีลของพ่อปฏิบัติที่นี่ได้ไม่ต้องถวายไม่ต้องถวายก็ถ้าศึกษาก็ถือว่าเป็นศีลละ ถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นศีลนะคำคำสอนของหลวพ่อเลยจ้าคือ น, นำแสงสว่างมาให้โอเคเดินทางมาไกลมากเ <laughs> <laughs> พื่อวิติ <Okay. S 1> <laughs> มีอะไรอีกไหม <laughs> เออก็ก็ก็มาขออนุญาตว่าเดี๋ยวอาจจะมาอาทิตย์หน้าจะพาแม่มาด้วยจ้าค่ะ แล้วที่นี่ไม่ต้องขออนุญาตจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้อยู่กันไม่ทราบว่าจะให้อยู่นานได้ไหมพเพราะว่าอยากอยู่ที่นี่อถ้าอยู่ที่วัดเขาให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเราจะต้องต่ออยเองหรอเจ้าคะ่ะก็ต้องออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ถ้าถ้ามีที่ว่างเขาอาจจะให้ต่อก็ได้อ่าอยู่ตลอดไม่ได้เจ้าอ๋อไม่ได้หรอกเพราะมันที่มันจํากัดแล้วคนที่เมย์เข้ามามีเยอะเลยต้องมีการหมุนเวียนไปอ๋อเจา ะ, ะถ้าจะอยู่นานๆก็ต้องไปหาที่อยู่ที่อื่น โอเคนะนอาจจะช่วยส่งไมโครโฟนให้คุณยมะจะกลับสอบถามแพทย์าอาจารย์นะคะเดี น, นี้การแพทย์แผนปัจจุบันนะคะคนไข้ที่แบบว่าแพทย์ไม่สามารถรักษาได้แล้วแล้วกว่าคุณหมอเขาจะให้แบบพวกมอฟฟิงค่อยๆค่อยๆแบบดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย จะบาปไหมคะก็อยู like ่ที so: ่เจตนาว่าต้องการให้เขาดับหรือ so: ว่าต้องการช่วยบรรเทาความเจ็บให้กับเขาจริงๆแล้วคุณหมอบอกรักษาไม่ได้แต่ถ้าก็ยารักษาเนียรักษาก็ไม่บาปแต่ถ้าไปฉีดให้เขาค่อยๆตายนี่บาปถ้ามีเจตนาให้เขาตายคือรักษาสุดความสามารถแล้วก็หยุดนั่นเองถ้ารักษาไม่ได้ก็หยุดคือให้หยุดแต่ว่านี่คนไข้เจ็บปวดทรมานมากเขาก็ค่อยๆหลับไปแต่ว่าจะไม่ได้แบบให้ จุดหายใจแต่ทำให้แบบคนไข้จะไม่กระวลกระวายอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ถ้าไม่มีเจตนาจะทำให้เขาตายช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้อยู่เป็ญยาเหมือนเรากินยาแก้ปวดอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจให้แต่ว่าอยากให้แบบแม่ไปสบายสบายให้ค่ะคือแบบคุณหมอบอกค่ะอยากอยากให้ไปนี่มันก็อยากให้เขาตายไม่ใช่อยากให้ตดให้ตผู้ผิดหมอบอกว่า อยากให้เขาอยู่อย่างสบายดีกว่าเอาอย่าให้อยู่องสบายที่แบบว่าออยู่จนถึงวลาสุดท้ายแล้วไม่ได้ทรมานกนะ็ได้เหมือนกักินยาแก้ปวดอะไรไม่ไม่บาดตอนเวลาปวดก็ให้ยาวเวลาไม่ปวดก็ไม่ต้องให้แล้วก็อย่าให้มากเกินจนกระทั่งร่างกายรับไม่ได้ต้องระมัดระวังใช้ยานี่ถึงมีทั้งคุณมีทั้งโทษไงถ้าถ้าเราไม่อยากจะให้เขาตายเพราะการให้ยาก็อย่าให้เลยก็ดีกว่า ไ ม, ไม่ไม่ด้ม่ตั้งใจให้การให้ยาแต่ว่ า, าอยากแบบเขาสงบเขาบอกว่าเข า, าโอเคโอเคอ่าแล้วแต่มันมันเหมืนเหมือนกับมันเป็นเส้นได้เนะี่ยมันความความผความผิดควางถูกมันค่อยๆมันอยู่ว่าเราตั้งใจให้เขาตายหรือเปล่าเราไม่ได้ตั้งใจแ ต, แต่ไม่ตั้งใจแต่รู้ว่าถ้าให้มากเขาจะตายอันนี้ก็ถือว่ามันก็ผิดเหมือนกันอย่างนี้หมอก็บาปเนี่ ก็อย่าให้มากก็อย่าให้มากเสีอย่าให้มากให้นิดเดียวให้ทีละนิดให้ทีละนิดค่ะให้ทีละนิดนะคะให้ทีละนิดเราต้องรู้ว oui, ่าร่างกายของเขารับรับได้มากน้อยเท่าไหร่ปริมาณคนไข้รู้สติหมดทุกอย่างแล้วก็อก็แบบก็แบบไม่ได้เพาะไม่ได้ตั้งตาถ้ามอฟินไม่ได้เขาจะทรมานมากเออ ก็ไม่ใช้มอร์ฟินทางใจเนี่ยทให้โอส่วนนี่เป็นมอร์ฟินทางใจก็ฟังพระแม่ก็กโอเคค่ ะ, ะถ้านั่งสมาธิได้ก็ใจจะไม่ทรมานร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนใจจะเฉยๆมีอุเบกขาไงแต่ใจเขาเแบบสุดยอดนะเออถ้าใจเขาไม่เดือดน้อยก็ไม่เป็นไรปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่ต้องให้ยาก็ได้รักษาเหมือนสมัยพระพุทธการไม่มีโรงพยาบาลไม่มีมอร์ฟินมไม่มีอะไร ก็อยู่กันไปใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันไปแต่ถ้าตอนไม่ได้ให้ก็จะหอกมากเลยก็ทําให้คนที่อยู่รู้สึกทรมานมากคนที่ทุกข์ไม่ใช่คนไข้หรอกบางทีคนคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนทุกข์แทนแล้วไม่อยากจะเห็นเข้าเลยไม่อยากจะหาวิธีกําจัดมันไม่ใช่หมอเพราะมันก็ปล่อยไปปล่อยให้ล้วทุกคนต้องทําใจวางเฉยใช้อุบเบกขา แล้วก็ปล่อยตามอย่างที่บอกไม่มีใครเหนือกฎแห่งกรรมใครทำกรรมใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนะั้นบางคนตายอย่างทรมานบางคนตายอย่างไม่ทารมานก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้อโอเคคำถามจากคุณสมนะคะนั่งสมาธิใจภาวนาพุโทโธแต่สมองคิดเรื่องอื่นทำยังไงดีคะมันไม่ใช่สมองคิดหรอกใจทั้งคิดทั้งพุโทโธ ก็ก็อยู่กับพุทโธไปมันจะคิดก็อย่าไปตามคิดให้ตามพุทโธไปเป็นเหมือนเราขับรถมาเจอทางทางขนานกันทางรถไฟกับทางทางรถยนต์เราอยู่บนทางรถไฟแล้วก็อยู่บนรถไฟไปแล้วไม่ต้องกระโดดอกมาที่รถยนต์ทางใครทางมันเราก็พุทโธของเราไปความคิดมันจะคิดก็ปล่อยไปคิดไปช่วงแรกๆมันจะแข่งกันแต่ต่อไปถ้าเราอยู่กับพุทโธมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความคิดก็จะค่อยๆจางหายไปเอง คุณสาธิตค่ะขณะนั่งสมาธิลมหายใจเข้าออกช้าจิตจะฟุ้งมากเลยครับแต่พอหายใจเร็วกว่าเดิมก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกไม่ควรจะไปบังคับลมหายใจ <c oughs> ถ้าอยากจะใช้มันเร็วก็ลองใช้กข บ, บริกรรมพุทโธแทนก็ได้ <c oughs> แต่อย่าไปบังคับลมบังคับลมแล้วมันจะทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบเพราะจะต้องมาคอยบังคับลมอยู่เรื่อย <c oughs> จากคุณบอยนะคะอาจารย์ปอดีหนูไม่ได้อ่านประโยคสุดท้ายคุณบอยที่บอกว่าจะเ ก, กษียณอายุ55ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณบอยบอกว่าคิดจะออกมาปฏิบัติธรรมหลายคนบอกให้อยู่ถึงเกษีณยณโยมาคิดว่าร่างกายเสื่อมลงทุกวันจะตายตอนนี้ทันทีก็ยังไม่รู้ครับและในทางธรรมเหมือนขอเรื่องการปฏิบัติเมื่ออยู่คนเดียวคะ่ะเรื่องการอยู่คนเดียว ใ, <ช>ในการปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนกับเราไปอยู่วัดนั่นแหละก็ รักษาศี ล, ะละตะรลนสเตนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะพิจารณาปัญญาเนี่ไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำเหมือนกันอยู่คนเดียวอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านก็ต้องทำแบบนี้ทนั้นจากคุณเอค่ะกลับนมส ก, การพระคุณเจ้าค่ะคุณพ่อเสียเมื่อวันที่สิบเดือนที่แล้วหัวใจวายเฉียบพลันในระหว่างนั้นหลานโทรตามได้เพยทันอยู่ช่วงมีลมหายใจใกล้สุดท้ายเปิดบทสวดธรรมจัก นำองนำสมเด็จองค์ประถมของหงวงพ่อฤาษีลิงดำใส่มือและปั๊มหัวใจคุณพ่อจิตคิดพุดโทโธตลอดจนเฮือกสุดท้ายตลอดการจัดงานได้ยินเสียงสวดมนต์รอบตัวคนเดียวเป็นบวชสวดเป็นบทส ว, นวดสวน่าจะธรรมจักรหรือระหงเป็นช่วงๆค่ะตัวสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันอยู่แล้วปกติคนที่ดูแลทดแทนบุปการีมาตลอดค่ะจนถึงวันนี้ยังคอยดูแลคุณแม่ และให้เส้นทางบุญกับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดตามที่รับฟังครูบาอาจารย์ถามว่าไม่ทราบว่าเกิดจากสิ่งใดคะก็เกิดจากจิตสำนึกของเราสิเราทำอะไรก็อยู่ที่จิตสำนึกของเราว่าเรามีธรรมหรือมีกิเลสหรือมีแล้วแต่ถ้ามีกิเลสก็อาจจะไม่ดูแลแลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้แต่ถ้ามีธรรมก็ทำหน้าที่เป็นของลูกกตัญญูไปอยู่ที่จิตสานึกที่เราได้ปลูกฝังมา